หรือว่าเน้นที่วิธีลงมือปฏิบัติก่อนถ้าเน้นความเข้าใจก่อนก็เรียกมักมีองแปดถ้าเน้นวิธีลงมือปฏิบัติก่อนก็เรียกสติปัฏฐานสี่ถึงจุดหนึ่งเราอาจสำรวจว่าจิตเรามีองทั้ง8ดของมัคครบทหรือยังถ้าหากว่าครบหรือเฉียดครบก็แปลว่าจิตมีคุณสมบัติร้อมพอจะบรรลุธรรม